ล้วก็ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ความรู้ความเห็นให้ถูกต้องประจำแนวทางจุดท่าก็าไปถึงขั้นที่ว่าจิตผู้ฟังย่อมผงใสย่อมสงบ เ, เมื่อปรากฏผลขึ้นมาเช้นนี้แล้วความยินดีในธรรมก็เริ่มปรากฏขึ้นมารสของธรรมก็เริ่มปรากฏแม้จะยังไม่ชนะรสอะไรก่อนก็ตามแต่ก็จะเริ่มเป็นรสที่ดึงดํา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 ในปัญหาแต่ละข้อละข้อจะเป็นประโยชจะผู้มาศึกษาแต่ถามมันมากมายกก่กยกองไม่ผิดหวังี่ความที่รู้จริงเห็นจริงผิดกันอย่างนี้แล้วตะกี้นี้แล้อธิยกขึ้นทรงเรื่องความยินดีในธรรมก็ดังที่กล่าวมานี่แหละความยินดีในธรรมยินดีไปเรื่อยๆ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 เมื่อพิจารณาพอตัวแล้วจิตจะกล้าเข้าสู่ความสงบโดยลําทางตนเองแล้วปรากศจากความบุ๋มความแต่งความปะปนอะไรทั้งหมดปรากฏอยู่แต่ความรู้เพียงเท่านี้ก็มีรถมีชาติเต็มภูมิแห่งสมาธิที่ควรจะชนะรสทั้งหลายได้อยู่ไ ด, ยได้อยู่แล้วอันนี้ความยินดีในความสงบนี้ก็ไม่เคยอิ่งตัว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 เป็นเรื่องเป็นราเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตที่เคยผ่านมาแล้วกว็ดีที่ยังไม่มีกด็ดีมีตั้งแต่เรื่องของจิตบ อ, อกว่าภาพเราอยู่ด้วยความคิดความปรุงของตัวเองเทินและโศกด้วยความคิดความปรุ ง, งตัวเองเท่านั้นนี่เวลาปัญญามันหยั่งเข้าไปจริงแล้วมันทราบได้ขนาด น, นั้นปกติเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นคนไม่เคยภานานั่งอย่างนี่บางทีจนตาเธอมองอะไรไม่รู้ ส่วนจิตมันคิดเรื่องอะไรนั่นล่ะคือเพลินไปตามนั้นหรือโศกไปตามอารมณ์ของตัวที่ปรุงแต่งขึ้นมาหลงอารมณ์ตัวเองนั่นเองเมื่อเราได้ใช้ปัญญาทางด้านสมาธิด้านปัญญานี้แล้วเราถึงจะทราบชัดว่าอาการเหล่านั้นเป็นอาการที่ออกไปจากจิตแล้วหลอกจิตผู้ไม่มีสติปัญญาทันกับเหตุการณ์หรือทันกับสภาพเหล่านั้นให้มีความรุ่งโรจน์ไปเดิมดับให้เกิดความดีใจเสี ย, ยใจเกิดความรักความชังเกิดความโกรธความโมโหิด บางทีเรื่องราวผ่านมาแล้วเป็นกี่ปีก็ตามไม่ทราบมันหายไปไหนแต่เผอิญไปปรุงเรื่องนั้นไประลึกเรื่องนั้นขึ้นมาได้เป็นเรื่องที่เกิดความที่เคยเสียใจก็มาเกิดความเสียใจในเรื่องนั้นอีกพุ่นขึ้นมาปุงขึ้นม า, าทั้งท้ที่เรื่องมันไม่สุดไม่ทราบมันหายไปไหนนี่ก็คือเงาของจิตหล อ, อกจิตจนเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาเป็นตัวอะไรเป็นตัวโกรธตัวลวุบตัวหลงตัวทุกข์ตัวร้อนขึ้นมาจริงๆจากเงาอ น, นัน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 ย่อมมีความอิ่มพอกับสิ่งทั้งหลายโดยประการทั้งปวงไม่เกี่ยวความหมายทั้งสิ่งเป็นเอกกิจเอกธรรมมีอันเดียวเท่านั้นทมแท้มีอันเดียวจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตพูดได้เท่านั้นนอกเหนือจากนั้นพูดไม่ได้ขอให้ทุกท่านนำบาก พ, นพนินิพิจารณานี่หละหลักความจริงของศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน